ถ้าชีวิตที่เหลือนับแต่นี้เราขวนขวายเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะช่วยขยายบุญอย่างประมาณไม่ได้ให้ลูกที่ดูแลเราถามเป็นผู้สูงอายุภาวะเศรษฐกิจทำให้คิดมากเกรงใจเจ็บช้ำสงสารลูกที่ต้องเลี้ยงดูทั้งทั้งที่ลูกก็พร้อมดูแลทำไมเราอยู่นานเกินเหตุ กำลังจะทำตัวเองตายแต่ก็ไม่ตายขอคำปรึกษาด้วยการมีชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่เป็นแค่ที่ตั้งของลมหายใจของคนตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งแต่ยังเป็นที่ตั้งของบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกด้วยเมื่อลูกตอบแทนบุญคุณเราด้วยวิธีใดๆแล้วเราทําให้ลูกลื้มใจด้วยการให้ศีลให้พรแม้ครั้งเดียว เท่ากับช่วยให้ชีวิตของลูกอยู่เป็นเส้นทางของความสุขความเจริญอีกนับครั้งไม่ถ้วนทั้งในการนี้และในการหน้าการมีชีวิตแบบรู้จักความสุขความเจริญจากการขวนขวายศึกษาธรรมะนอกจากทำให้เวลาที่เหลือมีค่ากว่าทองคําทุกวินาทียังช่วยขยายบุญขยายกุศลให้ลูกๆที่ดูแลเรากว้างใหญ่ไพศาลประมาณไม่ได้กับตัวเขาเอง ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะบุญกุศลที่เลี้ยงชีวิตพ่อแม่ไว้เรียนธรรมะถือเป็นการตอบแทนที่ไม่มีการตอบแทนใดในพบชาติไหนมาเทียบได้พูดให้ง่ายถ้าชีวิตที่เหลือนับแต่นี้เราตั้งตนไว้เป็นหนึ่งในมนุษย์ผู้ขวนขวายเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะได้ทำคุณยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและเกินค่าเกินความคู่ควร กับการดูแลตอบแทนของลูกไปแบบไม่อาจนับไม่อาจคำนวณครับ